เกิดขึ้นแถวลาดักหรือว่าทางอินเดียตอนเหนือนะซัมเบ น, นรีรูปหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติธรรมก็ไปเฟวิเวสออกจากสำนักไปอยู่ถ้ำ ก็ตั้งใจปฏิบัตินะแล้วก็มีความอาศุกการปฏิบัติเช้าเช้าก็ออกไปบินทบาทชาวบ้านก็มีศรัทธานะก็ใส่บาทนะพอฉันทุกวัน วันหนึ่งกลับมาเขาก็ว่าจีวอนที่แขวนเอาไว้นะหนูกัดกัดเป็นรูเลยอันนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วระหว่างที่กำลังปาจีวออยู่นะ็ น, นขึ้นมาได้ไว้ถ้าเรา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 ชาวบ้านก็ให้มาทุกวันทุกวันตอนหลังก็ตัวเออมันไม่อยากรบกวนชาวบ้านนะทำไมเราไม่ไม่หาวัวมาเลี้ยงเอาวัวนมมาเลี้ยงใจะได้ไม่ต้องรบกวนชาวบ้าน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 น, นี่พอมีวัวแล้วนี่นะมันก็ต้องมีหญ้าก็ต้องเกี่ยวหญ้าให้วัวนอกจากเกี่ยวหญ้าแล้วก็ยต้องรีดนมวัวด้วยทำอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งนะก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะเพราะไม่มีเวลาภาวนาเลย เรามานี่พเพื่อภาวนานต้องมารีดนมนวัวต้องมาเกี่ยวหญ้าให้วัวกินก็เลยได้ความคิดว่าทำไมเราไม่ขอเด็กชาวบ้านมานะาเด็กผู้ชายนี่แหละมาทำงานแทนเราก็ไป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 นีพอเด็กมาแล้วเนี่ยจะอยู่ในถ้าเดียวกับสาวมณีลีก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องสร้างกระต๊อกให้ให้เด็กคนนั้นน่ยก็ก็ต้องมีเลยลายชาวบ้านด้วยเรไลลยน่ะขอไม้น่ะขอมันมีขอแรงมาด้วยช่วยทํา ระยะหลังนี่ชาวบ้านก็เริ่มจะเริ่มจะผวานอะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แคละอานนะผวาเลยนะเวลาเห็นหน้าชีมานี่ก็ถ้าไม่ใช่เวลาบินธามบานี่ถ้าเป็นเวลาอื่นนี่ก็กลัวเลยสามัญในเรีนะเห็นหน้าสีเห็นสีเหลืองๆแดงๆ คือราดังนี่สา ม, มนเณรเลวเขาสีจีวร ง, งแดงว่ามานี่ก็ชาวบ้านก็ก็หนีเลยนะมีหลบเข้าบ้านไปเลยเพราะกลัวจะมาโดนเนลี่ยไรโดยผูภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าโดนไถนะชาวบ้านก็ก็เริ่มนะจะไม่ค่อยอยากเจอหน้านะสา ม, มนเณรเล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 เห็นชาวบ้านมาก็พอรู้ว่าชาวบ้านจะมาทำอะไรก็บอกว่าไม่ว่าง น, นะเพราะว่าตอนนี้มีงานเยอะนะเดี๋ยวนี้เลิกสมาธิเดี๋วก็ต้องไปนะต้องไปดูแลดูแลสร้างการสร้างกุฏิไอ้การสร้างกระต๊อกนะสร้างกระต๊อกเนี่ยนะเพื่อให้เด็กได้มาอยู่เด็กก็จะได้มาช่วยนะรื่น ม, นมวัวเกี่ยวหญ้าให้วัว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 มันก็มีอะไรต่ออะไรตามมายืดยาอย่างนี้เฉยๆนะมีต้องมีแมวต้องมีวัวต้องมีต้องมีหญ้าต้องมีเด็กสารพัดก็ได้คิดขึ้นมาเอ้ยนี่เรามันแักจะเลยเถิดไปแล้วนะสุดท้ายก็เลย ได้คิดขึ้นมาก็เลยบอกชาวบ้านบอกว่าไ อ, ไอ้กรต๊อกกระต๊ะตอคนี้ไม่ต้องสร้างแล้วเด็กก็อากลับบ้านไปวัวก็คืนชาวบ้านแมวก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วให้ชาวบ้านเอาไปเพราชีิตมันดุงยากเหลือเกินเพียงแค่ไม่อยากจะให้หนูมากัดจีวร น, น, นั่นแหละในนั้น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 ทำบนันไดก็เย็บจีวออย่างมีความสุขนะก็พอใจการเย็บจีวรไม่งุนหิดไม่ลำคาญเหมือนแต่ก่อนนะอันเอนี้ก็จบนะกลับมาสู่ปัญหาเดิมแต่ว่าไม่มีความงหงุดหงิดไม่มีความลำคานละอันนี้ก็เป็น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 ต้องไปต้องจ้างนะไปจ้างหญิงชาวบ้านมาเด็กหญิงชาวบ้านเนี่ยมาช่วยทำโน่นทํานี่อทีแรกก็เลี้ยงวัวเฉยเลี้ยงวัวเกี่ยวหญ้ารุ่นเลี้ยงหมูดงวัวตัหลังเอ้ยก็มาช่วยปัดตะก่าทำความสะอาดซะเลยในกุฏิเล็กๆ เ, เป็นกระตอ้อช่วยตัดก่าทำความสะอาดตั้หลังคิดไปคิดมา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 ทำมาหากินดีกว่านะก็เลยท้าขายสุดท้ายก็รวยนะก็มีรูปมีมีรูปมีอะไรต่างๆวันหนึ่งอาจารย์มามาถึงอาจารย์เห็นลูกสิษย์หายไปนานนะสิกกบกว่าปีจาริกผ่านมาท่านั้นก็เลยเยี่ยมตกใจนะเอา้า ลู้ศิษย์ที่ตั้งใจบวชถือพรหมจรรย์ทําไมกลายเป็นกลายเป็นพ่อค้าร่ำรวยไปแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงรู้สิษย์ก็เลยอธิบายล้วเนี่ยเรื่องมันนะเรื่องเรื่องเกิดจากเรื่องนี้แหละนะจีวรมันถูกหนูไก่ก็เลยต้องมีต้องเลี้ยงแมวพอเลี้ยงแมวเสร็ก็ต้องไปหาหาวัวมามีจะได้มีนมนไปเลี้ยงแมว พอหาวัวแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีเด็กมาเกี่ยวหญ้าให้วัวรีดนมวัวแล้วมันก็เช่าจะยุ่งยากพอต้องหาเงินมาเลี้ยงหาเงินมาจ่ายเด็กก็เลยอยู่ด้วยกันได้ซะเลยนะไม่ต้องไม่ต้องจ้าท่านนี้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็บอกอ๋อทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเองเพราะว่าเจ้านี่ไม่อยากจะ ใ ห, หดดให้หนูมากัดจีวอนเท่านั้นเลยเพียงแค่ไมให้หนูมากัดจีวอนนี่หรือไม่กัดมามากัดเสื้อผ้านี่มันบานฟลายเป็นขนาดนี้เลยเนียอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นนะที่เคยได้ยินจบแบบไม่แฮปปี้นะแฮปปี้ทั้งโลกแต่ไม่แฮปปี้ทางธรรมนะแต่เรื่องที่เล่าตอนแรกนี่มันเรื่องแฮปปี้ก็คือ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 อย่ากมีเครื่องทุนแรงก็ต้องหาเงินนะหาเงินก็ต้องทำงานทำงานก็มีปัญหาว่าจะเอาทำงานอะไรพอทำงานก็มีปัญหาเพรว่าเจ้านายนะไม่ดีบ้างละหรือว่าผู้โรม ง, งานไม่ถูกไม่สามัคคีกันบ้างละก็มีปัญหาก็าต้องไปหางานใหม่นะพอได้พอทำงานได้เงินก็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 คืออยากจะหลีกนีความยุ่งยากความไม่สบายเส็แล้วก็ชีวิตนี้กลับยุ่งยากกับอ่าลำบากก่าเดิมเพราะมันมีอะไรต่ออะไรอินุนตงนังอยากได้นูน่นอยากได้นี่ตามมามากมายวิธีการแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่า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 ที่ทั้งหมเนี่ยมันแก้ได้งายนิดเดียวนะก็คือว่าเ อ, อลองทําใจใมีความสุขนะมีความสุขกันยึดจีวรนะทีแรกเนี่ยสามาัเรรนี่แกไม่ชอบนะเรื่องของเรื่องทัหมดคือว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่ว่าแมวเ อ, อ้หนูมากัดติวร น, นะ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 มาเลี้ยงมาวัวมาเลี้ยงวัวมาตัดหญ้าให้วัวแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าปัญหาที่ว่าเราไม่มีความสุขการเยักจิววอนเรมาแก้ตรงนี้คือว่าลองเยักจิววนให้มีความสุขไอ้เรื่องที่ต้องมีแมวมีวัวมีอะไรต่ออะไรตามมาก็จบอันนี้มันอยู่ที่ว่าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ไหนหรือเรามองว่าวิธีแก้อยู่ตรงไหน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 มันก็ปัญหาก็จบนะหรืออย่างลูกของเพื่อนคนนั้นนะแทนที่แกคิดว่าโอ้ยเหงาเราต้องหาต้องมีแฟนไปได้หายเหงาลองคิดเออทำไมลรยจะอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไมเราไม่ลองคิดอยู่คนเดียวมีความสุขการอยู่คนเดียวดูแทนที่จะแก้ด้วยการไปหาแฟนแล้วก็มีปัญหาต่ตางๆมากมายตามมาโดยท้องภาระยืดยาวยาวเหยียด แก้ที่ใจเรามีความสุขกับตัวเองนะทนหรือ ว, ว่าสามารถจะรักตัวเองได้ไอ้ความวุ่นวายต่างๆที่จะตามมาในชีวิตก็เป็น้ันจบสองเรื่องนี้ก็เขาก็สื่อเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างมันมันก็มี เรื่องแรกเนี่ยสำนึนเรีกแกได้คิดแกได้สติแล้ังจากที่วุ่นวายเป็นห้ใหญก่ก็ได้สตินะได้สติเอ้นี่เรามาทําอะไรเนี่ยนะระหว่างที่พยายามอธิบายให้โยมชาว บ, บ้านสองชั้นไม่ว่างนะฉันมีงานเยอะนะพออธิบายไปอธิบายไปมันก็ได้คิดไอ้นี่เราทําอะไรอยู่เนี่แกได้สติขึ้นมาก็เลยเลิกเลยนะ เลิกทั้งหลายทั้งไอสิงที่ปวงหมนุนละแต่เรื่องที่สองเนี่ยนะไม่ได้สติเลยนะนักพฎคนนั้นเนี่ยไปเลื่อยการที่เราเพินอยู่กับการแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมันทำให้ทำให้ติดลมติดลมนี่ก็คือลืมตัวนั่นแหละแต่ร้ายก็เพียงเพราะ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 นะอันนี้พราะไม่มีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับมากลับมาสู่ทางเดิมสติความระลึกได้เนะรละลึกได้ถึงจุดมุ่งหมายเนะช่นระลึกได้ถึงมุ่งหมายชีวิตนะเราต้องการมาบวชเพื่อเรามาที่นี่เพื่อต้องการประพฤติปรมจันทร์ต้องการบวชต้องการขัดเกล้าตนนะ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 เรื่องมันก็ไม่บานปลายไปใหญ่โตนะพอมีสเต็ปปุ๊บแล้วก็วางระหว่างเย็บจีวอนก็เย็บอย่างด้วยใจยปกติรองเย็บก็ภาวนาไปด้วยนะอย่างเหมือกนกับที่หลวงปู่กินนรีสอนแนะนำหลว ง, ง, งพ่อชาหลวงพ่อชาเย็บจีวรเย็บจีวอ น, วอ น, วอน เ, เร็วมากเลยเร็บแบบเย็บแบบจิตเร็วจีวอแบบรนเลยนะ หลวงปู่หลวงปู่กินก็ถามว่าจะรีบร้อนไปไหนรีบร้อนไปทําไมหลวงปู่เชาเพราะว่าก็จะไปทำอย่างจะได้รีบทําให้เสือก็จะได้ไปทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นเสือจจะไปทําอะไรต่อก็ท่านอย่างโน้นสุดท้ายคือจะไปรีบไปภาวนานั่นแหละเพราะว่าอยากจะภาวนาทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะท่านมองว่าเนี่ย การภาวนาคือการเดินจงนกรมการนั่งสมาธิไม่อยากจะมาเย็บปิ้วันเย็บจวมีเสียเวลานั่งภาวนาท่านฟ้ถึงต้องจต่จวบมก็ขาดไปเป็นหลายรูแล้วระหว่างที่เย็บก็เยอบด้วยความรีบร้อนหลวงปู่ก็ถามว่าเย็บ ร, รีบร้อนไปทําไมขอท่านอธิบายว่าต้องไปทำอย่างโน้นทําอย่างนี้ต่อจะ ไ, ได้ไปกลับไปภาวนาเร็วๆท่านก็หลวงปู่ก็เลยบอกว่า เย็บจีวงก็ภาวนาได้เย็บจีวรภาวนาได้ก็ดูใจของตัวมัเองไปสิแล้วทำให้มันถูกต้องนะแก้ขไขมันถูกต้องชะเลยระหว่างที่ที่เย็บีวรนั่นแนหะความอยากมันมันท่วมหัวนี่ยังไม่รู้อีกหรือเนี่ยความอยากอะไรอยากไปภาวนาทั้งที่เย็บจีวรนั้นก็ภาวนาได้อยู่แล้ว อย่างเนี้ยทำในเรวอนี้เหมือนกันนะแกก็อยากจะแกลำคาญมากการที่ยักจิวอนนะเพอจะได้ไปภาวนาแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะที่กำลังหงุดหงิดนะสะติน่ะจำเป็นแล้วละ่ะนั่นหละคือตอนที่ภาวนาได้ก็คือมีสติรู้ดูรู้ทันความหงุดหงิดความํำคาญความโกรธที่เกิดขึ้น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 ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็รู้ตัวรู้ตัวก็กลับมาทําใจปกติแนะ่ถ้าระหว่างที่สามในรีทาใจปกตินะแม้ว่าจะหงุดหงิดบ้างจะเสอโกรธไดบ้างนะแต่ว่าพอกลับมามีสติได้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะก็จะไม่รู้สึกว่าการยึกยี่วอนี่มันวุ่นวายมันลำบาก เมื่อไม่รู้สึกเช่นนั้นก็จะไม่ต้องคิดหาว่าจะจะจะทํางไงจะจัดการกนไะอ้ทํางไงถึงจะไม่ต้องยึดจีวรนะก็ต้องไปหาแมวมาจัดการกับหนนะูแล้วปัญหาก็จะตามมาเป็นลูกโซ่สารพัดนะเรื่องนี้ก็สอนใจทั้งนกนักบวชด้วยนะว่าไอ้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยถ้ามันแก้ไม่ถูกนะมันก็ทําให้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 แก้ปัญหาเล็กๆน้อยแต่ว่ากับสูญเสียสิ่งที่สำคัญของชิดไป